นะโมตัสสะภะคะวะโต a r โตส t o samma um um <C oughs> s a m p u นะโมตัสสะภะคะวะโตห r a h a t o samma s นะโมตัสสะภะคะวะโต arahato s a ม m a s a m p t สามัคควุทธิสาธิ迦เต อิมัสสะธรรมะปริยายาัสะอัตโทสาทายสมันเตหิสกจังธรรมโอโสตบโบตีนาบดีอัตมาจะได้แสดงธรรมมีกถาพรรณาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญา เพิ่มภูนบุญกุศลความรู้ความฉลาดของพุทธบริษัทที่ได้มาประชุมพร้อมกันเพื่อที่จะฟังพระธรรมเทศนาวันนี้ก็จะได้สแสดงพระธรรมเทศนาเกี่ยวกับความสำเร็จส่วนใดที่เราพากันกระทานั้น แม้จะยากเย็นเข็นใจเพียงใดก็ตามถ้าประสบความสำเร็จแล้วความยากเย็นเข็นใจเหล่านั้นก็เป็นเรื่องเล็กน้อยเหมือนกันกับเราจำสินภาวนาเมื่อจำสินภาวนาสาเร็จแล้วแม้เราจะอดอาหารอดหลับอดนอนแต่เราก็ภาคภูมิใจเกิดความเย็นใจ เราอุตสาหสร้างบ้านสร้างเรือนขึ้นมาด้วยความเหน็ดเหนื่อยพอเวลาสำเร็จแล้วก็เกิดความสบาย้าฝนตกลงมาก็ไม่ต้องอนาถรร้อนใจเมื่อเราพากันเรียนหนังสือมันยังไม่สำเร็จก็ภาคเพียรพยายามกระทำเมื่อเรียนสำเร็จแล้วได้รับ ปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกตัวของตนเองก็ได้ความรู้บิ ด, ด, ดามารดาผู้ปกครองก็ชื่นอกชื่นใจชื่นใจด้วยความสําเร็จนั้นทําไมจึงต้องชื่นใจความสําเร็จก็เพราะว่าการที่จะสําเร็จขึ้นมานั้นไม่ใช่ง่ายบางทีเรียนสอบตกไปไม่ได้ บางทีเป็นโรคเป็นภัยสอบก็ไม่ได้บางทีเลยตายไปซะก่อนสอบได้ก็มีหรือบางทเีเรียนไปเรียนไปแล้วจวนจะจบอ้าวโรคเป็นประสาทเสียไปเสอีกแต่ว่าเมื่อทุกอย่างไม่เป็นอะไรเกิดความสำเร็จขึ้นก่อนนับว่าเป็นความดี ความดีนั้นความรู้ที่ได้รับจากปริญญานั้นก็ทำให้ผู้นั้นสามารถรักษาเนื้อรักษาตัวได้เท่ากับว่ามีทรัพย์มีสมบัติอยู่ในตัวได้นอกจากตัวเองจะได้รับประโยชน์แล้วคนอื่นก็ได้รับประโยชน์จากวิชาการเหล่านั้นไปอีกด้วยเพราะฉะนั้น การบำเพ็ญกุศลการให้ทานรักษาศีลภาวนาที่เราทำนี้จุดมุ่งหมายก็คือความสำเร็จเมื่อไรเราจะบรรลุความสำเร็จนั้นความสำเร็จนั้นเป็นทอดทอดเหมือนกันกับเราทำนาเราทำสำเร็จแล้วปีนี้ต่อไปอีกปีหนึ่งเราก็ทำสำเร็จอีก ต่อไปอีกปีหนึ่งเราก็ทำสำเร็จอีกมันก็จะต้องสำเร็จกันไปทุกปีทุกปีหลายหลายปีเข้าความสำเร็จมันก็นับหลายครั้งเช่นเดียวกันกับเรานั่งสมาธิเมื่อเรานั่งไปสาเร็จแล้วชุดนี้เรานั่งสมาธิต่อไปอีกครั้งก็สำเร็จอีกแล้ว เรานั่งต่อไปอีกครั้งก็สำเร็จอีกแล้วเราจำศีลวันพระเนี่สสาเร็จแล้วเราจำศีลอ <hating. S 2> ีกวันพระหนึ่งก็สำเร็จอีกเราจำศีลอีกครั้งหนึ่งก็สำเร็จอีกเราให้ทานพากันบริจาคสร้างกุธิสาเร็จไปเราบริจาคทานบวชพระเอาสาเร็จไปอีกเราสร้างศาลา อา้าวสําเร็จไปอีกแล้วเราพากันสร้างพระเจดีมหาเจดีอา้าวสําเร็จไปอีกแล้วความสําเร็จแต่ละครั้งละครั้งนั้นย่อมแสดงออกซึ่งพลังต่างๆเช่นเราพากันทํานาสําเร็จแล้วปีขานเราทํานาสําเร็จแล้วปีเถาะปีมาลงมาเสงเรา ก็ทำงานมาสำเร็จเมื่อเราสำเร็จมาแต่ละปีนั้นข้าวก็ได้มาเมื่อข้าวได้มาแล้วก็มาเลี้ยงครอบครัวเมื่อเลี้ยงครอบครัวได้แล้วครอบครัวเหล่านั้นก็เจริญขึ้นเมื่อเจริญขึ้นจากธรรมดาจนกระทั่งร่ำรวยขึ้นมาอย่างนี้คือเรีย ก, กว่าสำเร็จขั้นสุดท้าย แม้ว่าเราจะสาเร็จเป็นปีๆมาก็ตามแต่มันก็ยังมีอีกที่เราจะสาเร็จท่านสุดท้ายคือรวบรวมเช่อนอย่างทำนาสาเร็จนี่เราไถดินเราหว่านเราดำข้าวเราเกี่ยวข้าวเรานวดข้าวเราขนข้าวขึ้นยงุงอย่างนี้เขาเรียกว่าสาเร็จแต่ละครัง เหมือน ก, นกันกับเรานั่งสมาธิเราก็นั่งวันนี้วันพระนี้สำเร็จไปแล้ววันพระก่อนสำเร็จไปแล้ววันพรนนอนสำเร็จไปแล้วความสำเร็จแต่ละครั้งละครั้งนั้นมันก็เป็นปัจจัยที่จะทำให้เราเกิดสันติสุขภายในจิตก็จะต้องมีการรวบรัดที่จะมาถึงความสำเร็จ ขั้นสุดท้ายอีกด้วยอีกเทนึงด้วยเรารักษาศีลที่เราให้ทานที่เรากระทำกันอยู่เนี้จุดมุ่งหมายคืออะไรจุดมุ่งหมายคือสวรรค์และนิพพานเป็นสถานที่ที่เราต้องการในทีทเหล่านั้นจะต้องเกิดจากความสำเร็จเราสำเร็จ ให้การให้ทานเราสำเร็จการรักษาศีลเราสำเร็จการภาวนาพระพุทธเจ้าของเรานั้นพระองค์บำเพ็ญบารมีมาสีอาสงไขยแสนกลับมาถึงชาตินี้พระองค์ก็ได้สำเร็จความสำเร็จของพระองค์ก็คือความตัดสู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมพโพธิญาณ เป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงความสำเร็จเราท่านทั้งหลายเชวิตหนึ่งชีวิตหนึ่งนั้นเราสาเร็จอะไรบ้างมีอะไรที่เราสาเร็จเราก็คงจะรู้ในตัวของเราว่าเราทำอะไรสำเร็จมาแต่ทางโลกเราทำอะไรสำเร็จมา แต่ทางทมเราทำอะไรสำเร็จมาความสำเร็จในทางโลกนั้นมันก็ดีใจชั่วหนึ่งมันก็ดีอยู่เรียวกว่าความสำเร็จแต่ความสำเร็จในทางธรรมนั้นเมื่อใครทำความสำเร็จอันนี้ขึ้นมาได้ผู้นั้นก็ถือว่าเป็นสำเร็จอมะตะสำเร็จที่ไม่ตาย แต่ว่าถ้าเราพากันสำเร็จในทางโลกนั้นสำเร็จก็จริงแต่ในที่สุดสำเร็จตายส่วนการปฏิบัติในทางธรรมนั้นเมื่อเกิดความสำเร็จแล้วก็ความสำเร็จนั้นก็เป็นสิ่งไม่ตายเรียกว่าเป็นสมบัติเป็นสันติสุขที่จะให้บังเกิดขึ้น เธอให้บังเกิดขึ้นแก่ตัวของเราในที่เราจะเดินทางเราเดินทางไปในพบน้อยพบใหญ่ไม่ว่าเราจะไปเกิดที่ใดเราก็จะต้องไปกันละ่ะคือเมื่อไปแล้วเนี่ยเราจะเอาอยัางไงถ้าหากว่าเราเดินทางไปเจอหลุมตอหมายความว่า เราต้องไปเกิดเป็นสุนัขสุกรเราต้องไปเกิดเป็นโคเป็นกระบือเรียกกันง่ายง่ายว่ า, มาหมาหมูหัวควายหรือเรียกว่าเป็ดไก่จิ้งจกตุก๊กแกเราไปเกิดได้ทั้งนั้นและเราจะยอมไหมที่เราจะต้องไปเกิดอย่างนั้นพอใจหรือไม่ที่เราจะต้องไปเกิดเป็น หมูหมางวูไวายเป็ดไก่จิ้งจกตุ๊กแกไปเกิดที่นั่นเป็นยังไงเมื่อเราไปเกิดที่นั่นมันก็ต้องลำบากสร้างบุญสร้างกุศลอะไรก็ไม่ได้ต้องไปอยู่ในฐานะแห่งความอาภัพการที่เราจะต้องไปเกิดในที่นั่นน่ะาเหตุความโมโห พายเหตุความพยาบาทพายเหตุความอาฆาตพายเหตุความจองเวพรพายเหตุแห่งการทําความชั่วนั้นนัานเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ต้องการที่จะไปเกิดเป็นหมูหมาหัวควายเป็ดไก่จิ้งจกตุกแกเราก็จําเป็นจะต้องตัดเขาท่านแสดงว่า ผู้ที่จะตัดความโลภได้ต้องบริจาคผู้ที่จะตัดความโกรธได้ต้องสมาธิผู้ที่จะกำจัดความหลงได้ก็ต้องปัญญาอย่างที่เราพากันทำอยู่ในเวลานี้เราต้องการป้องกันคือเรารักษาสิลนกำจัดความโกรธเพื่อที่ไม่ให้จิตของเราเนี้เกิดความโกรธ ถ้าเกิดความโกรธขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องไปเกิดในที่ไม่ดีแน่ตัวอย่าง เ, เช่นสองพี่น้องไปตั้งบ้านเรือนอยู่ในฝั่งคลองในขณะนั้นพี่มีภรรยาแล้วน้องไม่มีภรรยาต่อมานั้นภรรยาของพี่ เกิดม่ชอบใจได้เสียกันกับน้องชายของสามีก็กลัวพี่ชายจะมาเล่นงานก็เลยหลอกพี่ชายไปตรงต้นกลุ่มข้างแม่น้ำแล้วก็เอาขวานจามหัวพี่ชายตายเมื่อตายแล้วในขณะนั้นรู้แล้วว่าน้องชายเราเนี่เป็นคนฆ่าเราและน้องชายนี่ ก็เป็นผู้ที่เอาเมียเราไปโมโหอย่างไม่มีที่จะหยุดยั้งได้พี่ชายนั้นจึงได้มาเกิดเป็นตุกแกลองแก่แก่อยู่ในบ้านเมื่อเป็นตุกแกนั่นก็อยู่ในบ้านนั้นเพราะว่าชาติมันใกล้เลือกเกินเห็นเมียนอนอยู่ก็ปล่อยมือปล่อยเท้าตกลงมา เมียก็เนืกว่าเอ้นี่ผัวเรามาเกิดแล้ววะเลยเอาค้อนทุบทุกแกตายเสร็จให้ทุกแกเก็คิดว่าเอ้นี่มันเป็นเมียเราแทๆ้ๆทุบผัวเราได้ก็เลยโกรธเกิดเป็นงูต่อไปไม่ได้มาเป็นคนเขาแล้วเมื่อเกิดเป็นงูก็โมก็อยู่ในบ้านนั่นอีกแล้วทราเห็นเมียของตอนก็งูนั้นก็เลื้อยพันแข้งพันขา เมียก็ว่าไอ้งูนี่มันคงเป็นหัวเรามาเกิดแน่แล้วเอาคอนทุกงูหัวงูตายเสร็จงูก็เติไม่ไปเกิดต่อแล้วก็เกิดเป็นวัวหมายความว่าเกิดไปไหนไม่ได้เพราะความอาฆาตก็เลยไปเกิดเป็นวัวต่อไปอีกพอเกิดเป็นงัวแล้วก็แหมอพอยเห็นเมียของตอนเดินมาก็เิ่งตามเลย ไปไหนก็วิ่งตามไอ้หลุกงัวเนี่ยแทนที่มันจะวิ่งตามงัวแต่มันวิ่งตามคนเนี่ยทางนี้มันก็นึกว่าแอนี่ผัวกูมาเกิดแน่อีกแล้วก็เลยจับเอางัวตัวนั้นเอาหินมัดข้างหนึ่งแล้วก็เอาชายเชือกมัดอีกข้างหนึ่งโยนลงไปในน้ำทั้งหัวทั้งหินตกลงไปในน้ำตายเสร็จพอตายเสร็จคิดถึงเมีย เข้าท้องเมียต่อไปมาเกิดในท้องเมียซะแล้วพอเกิดขึ้นม า, อาพอเกิดเท่านั้นเองจำความได้ว่าแม่ของเรานี่ก็คือศัตรูเราได้ฆ่าเรามาแล้วสามชาติแม่ก็อุจจะอุ้มลูกอุ้มไม่ได้พอเอามือแตะไปเท่านั้นเองร้องสุดเสียงเลย ก็เลยเอาไปฝากอาเลี้ยงไว้อาเอาไปเลี้ยงไวก้ก็พอพูดภาษาได้พอรู้จักภาษาคนจึงถามว่าแอเองทําไมจึงไม่ให้แม่เองอุ้มและเองทําไมจึงไม่เข้าใกล้แม่เองเด็กจึงบอกว่าไม่ใช่แม่นี่คือศัตรูฉันชาติก่อนเป็นภรรยาฉันแล้วก็มาฆ่าฉันซะแล้ว สามชาติมันละลึกชาติได้เอออากะหลานก็เลยเกิดความแสลดใจอย่างนั้นอากะหลานไปเห อ, อบวชกันเถะทั้งสองคนก็เลยพากันเข้ามาบวชปฏิบัติไปปฏิบัติมาก็ได้สำเร็จหมายความว่าถึงขั้นสำเร็จเป็นพระอาราหันต์ไม่ต้องมาเกิดแก่ตายอีกต่อไปเพราะฉะนั้นจิตใจของคนเราเนี่ ถ้าหากว่ามันเกิดประวัติหรือว่ามันไปเกิดประวัติในสิ่งที่ไม่ดีเข้าเมื่อไหร่เราก็จะต้องไปเกิดในที่ไม่ดีนั่นเป็นสิ่งแน่นอนเพราะฉะนั้นท่านจึงบอกให้ทานเพื่อกำจัดความโลภรักษาศีลเพื่อกำจัดความโกรธภาวนาเพื่อกำจัดความหลงไม่ให้ใจของเรานี้ผูกพัน หรือให้เกิดอุปาทานขึ้นมาถ้าเราเกิดอุปาทานขึ้นมาแล้วอันตรายก็เกิดขึ้นดังกล่าวแล้วเศรษฐีมีเงินนึกว่าเงินมันจะช่วยได้เอาไปฝังดินไว้ตั้งแต่สมัยก่อนตายก็ไปเกิดเป็นตขาขับเฝ้าเงินอยู่นั่นแหละเป็นเปรตตาขับไปไหนก็ไม่ได้ นอนเฝ้าเงินของตัวเองอดอดอยากอยากไปตามเรื่องนี่เป็นเรื่องของจิตอุปท า, านเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้พวกเราพากันทำสมาธิเพื่อที่จะแก้อุปท า, านเหล่านี้ไม่ให้จิตของเรามาอุปท า, านเมื่อจิตของเราละได้หมายความว่าเราเป็นผู้ที่มีสมาธิ เราเป็นผูท้ที่มีศีลอย่างนี้มีสมาธิมีศีลเราก็เป็นอันว่าเปิดอาบายถ้ราะการที่เราจะรับศีล น, นั้นเราก็ต้องถึงพระไตยสารณาคมก่อนถึงพระพุทธถึงพระธรรมถึงพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งเมื่อเรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้ว พระพุทธเจ้าตรัสว่าพุทธังสรนังคตาเสนะเตคมิชันติอภัยยภูมิงมนุษย์สังเทหังเทวากายยุเรศสามีตินี่เรียกว่าหัวใจมหาสมัยแปลว่าผู้ใดถึงพระพุทธเจ้าพุทธังสรนังคตาเส บุคคลผู้นั้นปิดแล้วซึ่งอบายไม่ต้องไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตอสุรกายไม่ต้องไปตกนรกนี่เรียกว่าปิดอบายโยภูมิในเมื่อเราถึงพระพุทธเจ้าแล้วเรียว่าพุทธังสระนังทตาเสนาะเตคมิชนตินาะแปลว่าไม่คมิทแปลว่าไป อบ า, ายภูมิงสู่อาบายไม่ต้องไปอาบายมนุษย์สังเทหังเทวกายยังมนุษย์สังแปลว่าเราเป็นมนุษย์ เ, เทกายยังเทหังแปลว่าละกายอันเป็นมนุษย์นี้นไปเมื่อไหร่เทวกายยังเราก็จะได้กายเทวดาทันทีนี่คือความสำเร็จถ้าเราทำสำเร็จ เราก็ไม่ต้องคอยเกิดในอบายบุญแต่ถ้าเราทำไม่สาเร็จเราก็ไม่แน่เหมือนกันเพราะว่าจิตของมนุษย์นี่มันเปลี่ยนแปลงได้อยู่ตลอดเวลาถ้าเราต้องการที่จะให้มันไม่เปลี่ยนแปลงเราต้องทำจิตสมัครคีเรียกว่าสามัคคีจิตจิตต้องสามคัคคีสามัคคีจิตคืออะไร สามะคีจิตก็คือรวมความดีเข้าไปอยู่ในจิตของเรานั้นศีล ส, สมาธิปัญญารวมเข้าไปอยู่เมื่อรวมเข้าไปแล้วก็เรียกว่าจิตสามะคีาหากว่าจิตสามะคีได้วุฒิสาธิกาก็จะเป็นหนทางให้เกิดความสำเร็จเราต้องการความสำเร็จ เราก็จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องกําจัดความโลภความโกรธความหลงเราก็มีสามเหมือนกันสิ่งที่จะกําจัดให้ทานรักษาศีลภาวนาให้ทานรักษากําจัดความโลภรักษาศีลกําจัดความโกรธภาวนากําจัดความหลงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะต้องลำบากในการสร้างความดีแล้วก็สมควรสมควรที่เราจะยอมรับความลำบากเหล่านั้นดีกว่าเราไปนั่งนอนสบายแล้วก็ไปเกิดเป็นงูเหลือมนั่งนอนสบายแล้วก็ไปเกิดเป็นตะขาบเดี๋ยวจะเล่าเรื่องตะขาบให้ฟังทำไมวัดธรรมมงคลจึงได้พระเกศา มาจากประเทศบังคลาเทศประวัติพระแกศสามีมาอย่างไรเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตัดสร้แล้วใหม่ๆเมื่อสองพี่น้องชื่อว่าตะปุษสพี่พันลิกะน้องได้เดินทางไปค้าขายพรพระพุทธเจ้า พระเจงได้นำเอาเข้าวสัตูก้อนสตูผงไปถวายพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ารับก้าวข้าวสัตูก้อนสตูผงจากตาปุสะและพันลนลิกะแล้วก็ทรงเสวยแล้วก็แนะนําให้ตาปุษะพันนิกะถึงซึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอืแล้ว ตาพุสะและพันลิกะก็ได้กราบลาพระพุทธเจ้าเพื่อจะไปทําการค้าขายต่อไปแต่ว่าพระพุทธเจ้าก็เลยมอบเส้นพระเกศาให้แก่ตาพุสะพันลิกะแปดเส้นหมายความว่าแปดชุดตพปุสะพันลิกะนั้นได้เดินทางต่อไปยัง สิงห์ทลังคือมีภูเขาลูกหนึ่งเป็นเกาะแต่ก็ไม่ใช่เกาะเป็นแผ่นผืนแผ่นดินแต่ว่ามันเป็นแหลมออกไปแหลมนั้นเชื่อว่าแหลมสิงค์ลังตาผู้สารละพันเอากาได้จับเรือใบออกจากประเทศอินเดียเดินทางไปยัง สิงห์ทะลั ง, งแหลมสิงห์ทะลั ง, รงเรียกว่าแหลมสิงห์ขอนเมื่อไปถึงแล้วเจอผู้คลองแผ่นดินจึงได้มอบเส้นพระเกศาแปดเส้นนั้นให้แก่พระเจ้าแผ่นดินในนครสิงห์ขอนและเรียกว่าสิงห์ทะลั ง, รงพระเจ้าแผ่นดินเกิดความเลื่อมใสมหาศาล ได้สร้างพระเจดีย์องค์หนึ่งเพื่อที่จะประดิษฐานพระเกศาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในคราวนั้นก็มีในคราวนั้นก็มีเทวดาเทวดาที่ประจำแหลมสิงขอนนั้นก็มาบอกแก่พระเจ้าแผ่นดินในคนครนั้นบอกว่า ให้มาสร้างเจดีตรงนี้เพราะว่าเจดีตรงนี้พระพุทธเจ้าสามพระองค์นั้นน่ะฉันได้มาสร้างเจดีตรงนี้แล้วเจดีที่สร้างนั้นสร้างในสมัยพระพุทธเจ้ากุกุสันโธก็ได้เอาพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากุกุสันโธได้เอาพระธรรมการกเอามา ไว้ที่นั่นแล้วก็สร้างเป็นพระเจดีย์ครอบไว้ต่อมาพระพุทธเจ้าโคโกนาคมาโคโนาคมก็ได้เอาสายรัชคตเอามาไว้ที่นั่นแล้วก็ก่อพระเจดีย์ไว้ต่อมาพระพุทธเจ้าทรงพระนามว่ากัตสโปได้เอาผ้าอาบน้ําเอามาไว้ที่นั่นแล้วก็ก่อพระเจดีย์ไว้ พระพุทธเจ้าของเราได้เส้นพระเกศาจึงได้พระเจ้าแผ่นดินจึงได้นำเอาพระเกศาไปรวมกับบริขารเหล่านั้นก่อเป็นองค์พระเจดีขึ้นมาในภายหลังจนกระทั่งปรากฏว่าประเทศนั้นมีนามว่าประเทศธมมา พระเจดีนั่นต่อมาภายหลังปรากฏชื่อว่าชาเวดากองในสมัยนั้นพ่อค้าทั้งสองคนจึงได้ไปเก็บเอางาช้างเพราะว่าในป่านั้นอ่ะบ้านคนไม่มีน้อยมีแต่พวกช้างทีนี้ช้างกับตะขาบนี่มันต่อสู้กันมันต่อสู้ตะขาบไม่ไหวช้างเนี่ยตัวโตโตเนี่ยสู้ตะขาบไม่ไหว แต่ตะขาบก็โตเหมือนกันเลยกินช้างหมายความว่าตะขาบกินช้างจนกระทั่งงากงเหมือนภูเขาตาปุษกาละพันลิกะเมื่อเผเจองาช้างดีใจช่วยกันขนใส่เรือสำเภาใส่เรือสำเภาแล้วก็รีบชักใบออกจากเกาะสิงขรไอ้เจ้าตะขาบนั้นมันนึกว่า ไอ้เจ้าตาขาบนั่นมันก็มาดูงาช้างอ้าวงาช้างกูหายไปไหนหมดจึงได้ตามรอยไปก็รู้ว่าตะปุระและพันลิกะกำลังเอางาช้างไปมันก็ว่ายน้ำตามไปเพื่อที่จะไปกินตะปุระและพันลิกะนั่นในคราวนั้นก็มีปูทะเลใหญ่นั้นอยา่าปูทะเลตัวใหญ่ ปูทะเลเนี่ยมันใหญ่ขนาดไหนเรือสำเพาของตาปุษสาพันิกะแล่นผ่านไปไม่รู้คือไม่กระทบก้ามมันแสดงว่าก้ามมันใหญ่จังแต่พอตะขาบไปถึงเนี่ยตะขาบมันใหญ่กว่าเรือมันเลยไปถูกเอาก้ามปูปูก็เลยงับตะขาบตายเสร็จแล้วก็ตาปุสกาพันิกะก็เลยกลับ มายังประเทศอินเดียอย่างสวัสดีภาพเอางาช้างมาขายกลายเป็นมหาเศรษฐีเมื่อพระพุทธเจ้ า, าได้ทรงตัดพระเกศานั้นพระอินได้มันนำเอาพระเกศานี้ขึ้นไปไว้ที่ชั้นสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วก็ไปทำพระเจดีอยู่ชั้นดาวดึง จึงเรียกเจดีนั้นว่าเกตแก้วจุลามุนีเกตแก้วจุลามมนีนั้นอยู่ชั้นดาวดึงเอาพระเกศาของพระพุทธเจ้าไปประดิษฐานไว้ที่นั้นและยังมีพระเกศาอีกจำนวนหนึ่งที่พระเจ้าแผ่นดินสมัยต่อมาพระพุทธเจ้าทรงใส่พระอบมอบให้แก่พระเจ้าแผ่นดินชุดนั้น เมื่อม่ะพระเจ้าแผ่นดินได้รักษาพระเกศานั้นมาแล้วก็จึงได้มอบให้แก่พระเถระพระเถระก็รับพระเกศาเหล่านั้นมาเรียกว่ารักษาพระเกศาเหล่านั้นมาตามลำดับต่อเนื่องกันมาจนกระทั่งถึง ในสมัยที่ประเทศบังคลาเทศได้มีพระเถระสืบต่อเนื่องกันมาตามลำดับรักษาพระเกศาชุดนั้นเอาไว้ในจำนวนแปดเส้นด้วยกันเรียกว่าแปดชุดบัดนี้ได้มีการรักษาพระเกศานั้นอยู่ตกทอดมาจากพระเถระเหล่านั้นมาอยู่ที่ จังหวัดจิตตะกองของประเทศบังคาเทศในจำนวนแปดเส้นดดวยกันแล้วเส้นที่หนึ่งไม่ใช่ในจำนวนสี่เส้นด้วยกันไม่ใช่แปดเส้นพูดผิดไปจำนวนสี่สี่ชุดเนี่เมื่อมาถึงเวลานี้ทางประเทศญี่ปุ่นรู้เข้าจึงได้ตั้งทูตสาสนา เรียกว่าสมณทูตไปขอที่ประเทศบังคลาเทศได้ไปหนึ่งชุดก่อนเราสิบห้าปีแล้วก็ได้เดินทางไปยังกรุงโตเกียวเมื่อไปถึงกรุงโตเกียวแล้วจะมีพวกพุทธบริษัทตั้งที่บูชาระหววางหนึ่งเล่าวางร้อยเม็ดต่อที่ร้อยเมร็รต่อที่ เป็นหนทางถึงหกสิบเจ็ดกิโลเมตรแล้วก็นำเอาไปสร้างพระเจดีย์อยู่บนภูเขานอกเมืองโตเกียวไปไกลและเขาก็สร้างเจดีย์นั้นเสร็จแล้วนำพระเจสาไปประดิษฐานไว้ที่ที่พระเจดีย์บนภูเขานั้นแล้วเขาเจอจุดตะเกียงหรือเรียกว่าตามประทีก้าดวง ตลอดเวลาไม่มีการดับตั้งแต่นั้นจนบัดนี้และยังมีอีกประเทศสีลังกาเมื่อได้ทราบข่าวว่าที่ประเทศบางทลาเทศได้มีพระเกษาจึงได้ส่งสมณทูตไปยังประเทศบางทลาเทศขอพระเกษานั้นได้มาอีกชุดหนึ่งนำไปสร้างพระเจดียประดิษฐาน พระเกศาไว้ที่ประเทศศรีลังกาในขณะที่พวกเราสมณทูตอาตมาเป็นประธานเดินทางไปประเทศบังกลาเทศรับพระบรมธาตุในพศสองพันห้าร้อยสิบแปดแล้วก็รับพระบรมธาตุครั้งที่สองสองพันห้าร้อยสิบเกแล้วก็รับพระเกศา ในปีพศ2522ในการที่รับพระเกษาครั้งนั้นก็ได้มีพิธีการต้อนรับเป็นการใหญ่ซึ่งท่านทีปังกระเป็นผู้รักษาพระเกษานิไวเรารับพระเกษานั้นมาแล้วก็นำมาประดิษฐานไว้ที่วัธมะมงคลพร้อมแล้วที่เราจะนำขึ้น ประดิษฐานที่พระวิริยมงคลมหาเจดีย์ที่กำลังจะเสร็จอยู่นี่ซึ่งจะได้ทำการบรรจุพระเกศาพระอุรังคธาตุและพระบรมาธาตุเทศนาวสานเนอวส า, การกลายเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี่ อาตมาขอะเวพรในท่านทาั้งหลายจงประสบด้วยอายุวันณะสุขภพละโลคยะปฏิพา์ธนาสานสมบัติพัพฒนมงคลชนมาสุขทุกประการจงบังเกิดมีแก่ท่านทาั้งหลายสมดังในที่ได้แสดงมาเอวังก็มีด้วยปราการชนีย์ยทาวริวาหฮาปุราปริปุเรนติ ซาคารังเอวะเมวะอิโตทินนางเตตานางอุปกัปปติอิจิตังปทิตังตุมหังคิปเมวะสมิชตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติรโสยถาสัพีติโยวิวัชชนตุสภาวะวัวนตราโย สุขีเทกายุโกพวะอภิวาทนาเสลิสนิจนจังบุทธาปจายโนจตารโธมาวัฒนตีอายุวันโนสุพังพะลัง